ธมวัตหนึ่งชาคติกระถาว่าด้วยคติหกห้าร้อยสามสกคติมีหกใช่ไหมปรอใช่สกคติพระผู้มีประภาคตรัสไว้ห้าอย่างคือนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตมนุษย์เทวดามิใช่หรือปรอใช่สกคตหากคติพระผู้มีประภาคตรัสไว้ห้าอย่าง คือนรกกำเนิดเดรชานภูมิแห่งเปรตมนุษย์เทวดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมีหกสกคติมีหกใช่ไหมปอรอช่ยสอกออูศุนจาพวกกาและกัญชิกามีรูปร่างเหมือนกันมีการเศพบกาเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกันกบเปรตทั้งหลายและแต่งงานกระเปรตทั้งหลายได้ไม่ใช่หรือ ป ร, รใช่สกหากอสูรจำพวกกาลกัญชิ ก, กามีรูปร่างเหมือนกันมีการเสพกาเหมือนกันมีอาหารเหมือนกันมีอายุเหมือนกันกันกบเปรตทั้งหลายและแต่งงานกับเปร์ทั้งหลายได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมีหกสกพระติมีหกใช่ไหมป ร, รใช่สกพวกอสูรที่เป็นบริวารของท้าวเวปจิตติมีรูปร่างเหมือนกัน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 สกคติมีหกใช่ไหมปรใช่สกพวกอสูนที่เป็นบริวารของท้าวเปวปจิตติเป็นเทวดามากกรไม่ใช่หรือปรใช่สกหากพวกอสูนที่เป็นบริวารของท้าวเวปจิตติเป็นเทวดามาก่อนท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าคติมีหกห้าร้อยสี่ปรท่านไม่ยอมรับว่าคติมีหกใช่ไหมสกใช่ ปรอสุรกายมีมิใช่หรือสอกอใช่ปรอหากอสุรกายมีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากติมีหกฉากกติกถาจบสองอันตราภวกถาว่าด้วยอันตรภพบห้าร้อยห้าสอก อ, อันตรภพบพบที่อยู่ในระหว่างตายกับเกิดมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่ สกเป็นการมาพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเป็นรูป ป, ป, ประพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเป็นอรูปปพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหม ปรใช่สก อ, อ, อ, อ, อ, อันตรภพบมีอยู่ในระหว่างกามภพกับรูปะพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกอันตรภพบมีอยู่ในระหว่างรูปะพบกับรูปะพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอันตรภพบไม่มีในระหว่างกามภพกับรูปะพบใช่ไหม ปรใช่สกหากอันตรภพบไม่มีในระหว่างกามาพบกับรูปภพบท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่สกอันตรภพบไม่มีในระหว่างรูปภพบกับรูปภพบใช่ไหมปรใช่สกหากอันตรภพบไม่มีในระหว่างรูปภพบกับรูปภพท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่ห้าห สกออันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่สกออันตรภพนั้นจัดเป็นกําเนิดที่ห้าเป็นคติที่หกเป็นวิญญาณิติที่แปดเป็นจตวาทที่สิบใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกออันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่สกออันตรภพจัดเป็นภพเป็นคติเป็นจตวาทเป็นสงสาร เป็นกาเนิดเป็นวิญญาณิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอันตรภพบมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอัตระพบมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอัตระพบเป็นพบที่มีขันหา้าใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าร้อยเจ็ดสกอกร า, ามภพบมีอยู่รามภพบเป็นพบเป็นกติเป็นสัตตาวาดเป็นสงสารเป็นกำเนิด เป็นวิญ ญ, ญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรใช่สอก อ, อันตรภพบมีอยู่อันตรภพบเป็นภพบเป็นคติเป็นสัตตาวาดเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่ให้เข้าถึงกามาพบมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก คำที่เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงกามาพมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัตว์ผู้เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในกามาพมีสัตว์เปิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สก อันตรภพบมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในกลามภพมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกอันตรภพบมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกลามภพบเป็นภพบที่มีขันห้าใช่ไหม ปรใช่สกอันตรภพบเป็นภพบที่มีขันห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปะพบมีอยู่รูปประพบเป็นภพบเป็นคติเป็นสัตววาาเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณถิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรใช่สกอันตรภพบมีอยู่อันตรภพบเป็นภพบเป็นคติเป็นสัตววาา เป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณนิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่เข้าถึงรูปภพมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่เข้าถึงอันตรภพมีอยูอ่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัจ์ผู้เข้าถึงรูปภพมีอยู่ชยยใช่ไหมปรใช่สก แต่ผู้เข้าถึงอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประพบมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สอก อ, อันตรภพบมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในรูปภพมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกในอันตรภพมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปภพเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรใช่สกอันตรภพเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรูปประพบมีอยู่อรูปประพบเป็นภพเป็นคติเป็นสัตววาาเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรใช่สกอันตรภพบมีอยู่อันตรภพบเป็นภพเป็นคติเป็นสัตววาาเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่จเข้าถึงอรูปภพมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่จเข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกศาสตร์ผู้เข้าถึงอรูปภพมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกศาสตร์ผู้เข้าถึงอันตรภพมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในอรูปภพมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สกในอันตรภ พ, พมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในอรูปภพมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรใช่สก ในอันตรภพบมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อรูปภพบเป็นภพบที่มีขันธ์สีใช่ไหมปรใช่สอก อ, อันตรภพบเป็นภพบที่มีขันธ์สีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อยปดสกอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สอกอ สัตว์ทั้งปวงนั่นแหละมีอันตรภพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรใช่สกหากสัตว์ทั้งปวงนั่นแหละไม่มีอันตรภพบท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่สกอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สก บุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมมีอันตรภพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพบท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่สกบุคคลผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมมีอันตรภพบใช่ไหมปรใช่ สกบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมมีอันตรภพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่ทำอนันตริยกรรมไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้าถึงนรกผู้เข้าถึงอาจารย์ยศัตผู้เข้าถึงอรูปภพบ มีอันตรภพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพบไม่มีอันตรภพบใช่ไหมปรใช่สกหากบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพบไม่มีอันตรภพบท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่สกบุคคลผู้ไม่เข้าถึงอรูปภพบมีอันตรภพบใช่ไหมปรใช่สก บุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพมีอันตรภพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ไม่เข้าถึงอรูปภพไม่มีอันตรภพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อก่าปรท่านไม่ยอมรับว่าอันตรภพมีอยู่ใช่ไหม สกใช่ปรออันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ไม่ใช่หรือสกใช่ปรอหากอันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ท่านจึงควรยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่สกเพราะท่านเข้าใจว่าอันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่สก เพราะ Realm, ท่านเข้าใจว่าอุปหัจจะปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอุปหัจพบมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะ Realm, ท่านเข้าใจว่าอันตราปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าอันตรภพบมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกเพราะท่านเข้าใจว่าอ KAR สังขารปรินิพพายีบุคคลมีอยู่ สสังขารปรินิพพายีบุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าสสังขารภพมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอันตราภาวะกถาจบสากามคุณนกักกถาว่าด้วยกามคุณห้าร้อยสิบสอกอกามคุณห้าเท่านั้นเป็นกามาท่าใช่ไหมปรใช่สอกอ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 จักษุของมนุษย์ไม่เป็นกรรมธาตุใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสตะคาณนะชิวหากายมโนโของมนุษย์ไม่เป็นกรรมธาตุใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมโนของมนุษย์ไม่เป็นกรรมธาตุใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า กามคุณห้าอันมีใจเป็นที่หซึ่งมีอยู่ในโลกเราประกาศไว้ชัดเจนแล้วสัตว์โลกคลายความพอใจในการมคุณห้านี้ได้ย่อมพ้นจากทุกได้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, รอใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามโนของมนุษย์ไม่เป็นกามทธาตุห้าร้อยสิบเอ็ดสก กามคุณห้าเท่านั้นเป็นกรรมฐานใช่ไหมปรใช่สกกามคุณเป็นพบเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่ให้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ผู้เข้าถึงกามคุณมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในกามคุณมีสักเกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในกามคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามคุณเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเนกามคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปฏิจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้พระอรสะสาวกอุปัตขึ้นใช่ไหมปอรอ์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาตเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณนิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปอรอ์ใช่ สกกามคุณเป็นภพเป็นคติเป็นจัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่เข้าถึงกรรมามาธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่เข้าถึงกามคุณมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก สัตว์ผู้เข้าถึงกรรมธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัตว์ผู้เข้าถึงกรรมคุณมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในกรรมธาตุมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สกในกรรมคุณมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกในกรรมธาตุมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกในกรรมคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมธาตุเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรใช่สกกรรมาคุณเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหม ปร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในการรมธาตมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปเจกพุทธเจ้าทั้งหลายคู่พระอัครสาวกอุบัตขึ้นใช่ไหมปอร์ใช่สกในกามคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัเจกพุทธเจ้าทั้งหลายคู่พระอัครสาวกอุบัตขึ้นใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้า้อสิบสอง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 สเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสามกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสี่รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นห้าโผฏภะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกลามคุณห้าประการ น, นี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรรดังนั้น กามคุณห้าเท่านั้นจึงเป็นกามธาตุกามคุณนักคถาจบสก่กามกาถาว่าด้วยกรารห้าอยสิบสากออายตนะห้าเท่านั้นเป็นกามใช่ไหม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 ความดําริและความกําหนัดที่เกี่ยวกับอายตนะห้านั้นปีติโสมนัตปีติและโสมนัตที่เกี่ยวกับอายตนะหานั้นมีอยู่มิใช่หรือปอรรใช่สกหากปีติและโสมนัตที่เกี่ยวกับอายตนะหานั้นมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอายตนะห้าเท่านั้นเป็นกลามห้า้อสิบสีปอรรท่านไม่ยอมรับว่า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 จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสังกัปปาราคะของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตรทั้งหลายในโลกไม่ชื่อว่ากามสังกัปาราคะของบุรุษชื่อว่ากามอารมณ์ที่วิจิตรทั้งหลายในโลกตั้งอยู่ตามสภาพของตนเท่านั้นแต่ทีเราชนทั้งหลายย่อมกำจัดความพอใจในอารมณ์ที่วิจิตรเหล่านั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่ยสอกอ ดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าอายตนะห้าเท่า น, นั้นเป็นกามกามกถาจบหรูปธาตุคถาว่าด้วยรูปธาตุห้า้อยสิบห้าสกสภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปธาตุใช่ไหมป ร, รใช่สกรูปเป็นพบเป็นคติเป็นสตตาวาตเป็นสงสารเป็นกาเนิดเป็นวิญญาณติติ เป็นการได้อัตภาพใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรกรมที่เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปมีสัตว์เกิดแฝงตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ในรูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรูปเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรูปปัทธาเป็นภพเป็นคติ right. เ, ป เ, ป right. เป็นการได้อดภาพใช่ไหมปอรอใช่สกอรูปเป็นภพเป็นคติเป็นการได้อดภาพใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกกรรมที่เข้าถ like well uh ึงรูปประธาตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกกรรมที่เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงรูปประธาตมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัตว์ผู้เข้าถึงรูปมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประธาตมีสัตว์เกิด แก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรใช่สกในรูปมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในรูปประทัดมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกในรูปมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ร, รูปประธาตเป็นภพที exactly. ่มีขันห้าช er. ใช่ไหมปรใช่สกรูปเป็นภพที่มีขันห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าสิบกสกสภาวะธรรมที่เป็นรูปเป็นรูปประธาตในกรรมธาตมีรูปใช่ไหมปรใช่สกกรรมธาตกับรูปประธาตเป็นอันเดียวกันใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามาธาตุกับรูปาธาตุเป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ประกอบด้วยกามาพบชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยพบสองคือกามาพบและรูปประพบใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นรูปธาตุตุกขาจบ